สังคาทิเศษสิกขาบทที่ส209ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้ไปสู่และแวกหมู่บ้านรูปเดียวณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปราบรพิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุณีรูปหนึ่งไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวในสังฆาธิเศษสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ 3. พระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน เป็นปัธรมปาราชิกสมุทฐาน